ไอ้นี่บางทีโอ้โหที่พระอาจ ย, ยังไม่ทันร้อนเลยแม่เสร็จยักษ์ไปเส ก, ก่อนแล้วอ่ะตอนนี้ก็พอพระราชานี่ก็ยืนยันหนักแน่นเลยบอกไม่กลัวยักษ์เลยเพราะฉะนั้นยักษ์เนี่ยยิ่งถ้าจะมาจัดการนี่ยิ่งจะพินาศนะพระราชาตัดถ้อยคําอย่างฮึกเหิมในธรรมคมยักษ์ดุร้ายตนนั้นไว้ได้เท้าสั ก, กาดยอมเทพจึงทรงขับไล่ยักษ์ให้หนีไปแล้วตัดกับพระราชาว่า คือจริงๆเนี่ยพระราชานไม่กลัวยักษ์อยู่แล้วนเพราะนั้นจริงๆเนี่ยยักษ์นี่ไอ้ น, นั่นอยู่แล้วล่ะทำอะไรพระราชาไม่ได้แต่ทำอะไรพระราชาไม่ได้ก็จริงแต่พระราชาบางทีไม่รู้นะอาจจะสู้ได้หรือสู้ไม่ได้อย่างไม่รู้น ะ, ะแต่เพียงแต่ว่าป้องกันตัวได้ยักษ์ทำอะไรพระราชาไม่ได้แต่ท้าสักกิจอมเทพบอกแล้วโอ้โหฝีมือขั้นปรมาจารย์กว่าเีย พิมูสูงกว่าเพราะฉนั้นก็เลยจัดการไล่า ย, ยากไปให้เพราะบางครั้งเนี่ยการที่เราตั้งตะบาหรือเราถือศีลทําอะไรไปบางครั้งมันจนแต้มเหมือนกันนะไ ม, ไม่รู้ว่าจะสู้กับกิเลสยังไงถึงบอกว่าบางทีเราก็ต้องฉลาดาก็ต้องหาที่ปรึกษาเพราะบางทีเราก็ได้คําชี้แนะอะไรดีๆมามันทําให้เกิดแง่คิดเพราะว่าปัญญาเนี่ยแหละที่จะสู้กับกิเลส ถ้าคุณไม่มีปัญญาที่มันสำ ม, มาทิฏฐิพอชัดเจนพอมีมีมรรควิธีพอบางครั้งอ่ะมันมันตึบเลยนะมันตีบตันไปหมดเลยจริงอ่ะเราหนังเหนียวอ่ะยากมันทําอะไรเราไม่ได้แต่ก็ค่ายากไม่ลงตัท้ทีค่ายากไม่ลงตั้งทีเพราะมันมันไม่รู้จักพิจารณาที่จะอ ะ, อะไรอ่ะล้างกิเลสตัวนั้นทิ้งไปให้ได้ แต่จริงแหละ ว, ว่าเราเราก็ไม่พลาดท่าเสียทียักษ์ละแต่ก็ยังฆ่ายักษ์ไม่ได้สักทียักษ์มันก็ยังอะไรอ่ะยังคาคาอยู่ในในจิตในใจเราได้อยู่มันก็ไม่ได้น่ารักแล้วแหละแต่มันก็ยังไม่น่าเกลียดเราถึงยังไม่ไล่มันไปอ้าวบางคนนี่ทำได้จริงนะไม่รักแล้วถ้ารักนี่เสร็จเสร็จมันถ้ารักนี่เสร็จมันถ้ารักยักษ์นะ เสร็จยากแต่เราไม่รักยักแล้วแต่เราก็แหมยังไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษภัยในยากนั้นเั้นเดี๋ยวคุณก็เสร็จจนได้คุณถ้าคุณไม่มีปัญญาถึงขั้นว่าโอ้โหเห็นความน่าเกลียดของยักษได้ว่าเนี่ยมันทําให้เราทุกข์มันทําให้เราทรมานยังไงมันทําให้เราติดมาโอ้โหจนกระทั่งเสียเงินเสียเวลาเสียทรัพย์สินเงินทอง นะเสียอารมณ์เสียความรู้สึกไปเยอะแยะมากมายขนาดไหนแล้วถ้าคุณไม่เห็นตรงนี้ได้นในที่สุดเผอๆยักษ์มันมันไอ้มันโตได้นะถ้ามันโตขึ้นมาอีกเดี๋ยวคุณก็แพ้อีกมันถึงบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยต้องฆ่ายักษ์ให้ได้เลยถึงจะปลอดภัยะนะอัตอนนี้พอท้าวส ก, กาจอมเทพก็เลยช่วยไล่ให้เพราะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ย เราก็อาศัยฟังพระธรรมฟังครูบาอาจารย์ฟังผู้ที่มีความรู้มากกว่าเราช่วยชี้แนะช่วยบอกสอนทาให้เราเนี่ยได้ยุทธวิธีที่จะไปใช้ฆ่ายักษ์ได้นะเนี่ยนะอันนี้ก็คือเนี่ยเท้สกกาสกัดจอมเทียมนี่ก็เนี่ยมีความสามารถมีวิธีที่จะไล่ยักษ์ไปได้นะในที่สุดยักษ์ก็เลยหนีไปแล้วตรัสกับพระราชาว่าดูก่อนมหาราชา พระ อ, องค์อย่าได้หวันบิตกสิ่งใดๆเลยนับตั้งแต่บัดนี้ไปการคุ้มครองพระ อ, องค์ซึ่งเป็นพระราชาผู้ทรงรมจะเป็นหน้าที่ของเราจอมเทพตลอดไปจอมเทพคราวนี้ไม่พูดถึงคนข้างนอกนะจอมเทพที่อยู่ในตัวเราอะไรคือจอมเทพถ้าเราฆ่ายักษ์ในตัวเราได้ใช่ไหมเราสู้ยักษ์เนี่ยสู้ยักษ์แล้วเราก็มีจอมเทพเนี่ยคอยมีปัญญาเนี่ย คอยคิดคอยพิจารณาคอยขับไล่เนี่ยนี่แหละนี่แหละจะไปจะเป็นจอมเทพอยู่ในตัวของเราหรือในจิตของเราเพราะฉะนั้นทุกคนจริงๆมียักษ์อยู่ในในจิตใจทุกคนแต่เมื่อมันมียักษ์อยู่คุณต้องสร้างจอมเทพมาให้ได้เพื่อที่จะเอาจอมเทพนี้มาฆ่ายักษ์ในจิตจิตบิญญาณของเราจิตใจของเรา เพราะนั้นผู้ที่จะเป็นจอมเทพเนี่ยที่จะคอยคุ้มครองเราคนนี้คืออะไรผู้ที่จะเป็นจอมเทพเนี่ยอะไรที่จะคุ้มครองจิตใจเราได้ฮะอะไรนะสติอา้าวแล้วอะไรสตังหรืออะไรจะคุ้มครองใจเราได้ศีลที่จะเป็นจอมเทพได้ ปัญญากี่บอกแล้วปัญญาแบบไหนอ่ะฮะเออปัญญาที่เป็นเนี่ยสติดนันก็ใช่นะจะต้องมีสติมีธรรมวิจัยนะจนกระทั่งพิจารณาจนกระทั่งสามารถที่จะแบบว่ารู้แจ้งเห็นจริงได้รู้ว่านี่นี่กิเลสอ่ามันมีต้นเงามี รากมาจากอะไรเนี่ยที่ทำให้เราเกิดกิเลสตัวนี้พอรู้เสร็จแล้วก็อะไรหาทางดับหาทางฆ่ากิเลสลงมือจัดการมาลงไปถ้าทำได้สำเร็จเราจะเกิดปัญญายานขึ้นมายานเนี่ยคือความความรู้นี่แต่อันนี้เป็นความรู้ที่เกิดจากมรรคผลของเราที่เราสามารถที่จะสู้กิเลสได้ชนะได้ยานความรู้อันนี้แหละที่จะทาให้คุณเนี่ย อะไรยักษ์ตัวเก่าตัวเดิมอะไรที่เราจัดการเราฆ่าไปได้แล้วเนี่ยหัวนกลับมาเล่นงานเราอีกไม่ได้เลยเพราะปัญญาญานีเนี่ยจะขุดลากถอนโคนเลยเพรายักษ์นี่จะไม่สามารถหวนคืนมาเล่นงานเราอีกเรื่องไหนก็เรื่องนั้นเรื่องเล่าเรื่องบรุรีเรื่องอใบายามุกเรื่องขนมเรื่องอะไรอ่าที่เราเคยเสพเคยติดอะไรมาอันเนี้ย เพราะปัญญาเนี่ยเป็นที่สุดของการที่จะฆ่ากิเลสเพราะว่าปัญญาเนี่ยสามารถจะเจาะลึกลงไปนะว่าอ๋อต้นเหตุเป็นเพราะอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ไมเราต้องไปติดไอ้ข้าวต้มมัดนี่เพราะอะไรที่ทำไมให้ทำไมถึงไปติดมันเนี่ยเยมันจะพิจารณาแจกแจงแยกแยะจนกระทั่งรู้เลยว่าโอ้โหนี่ไปติดมันเพราะอย่างนี้นแล้วมันก็ทําให้เราเลยต้อง ต้องกินมาเป็น5ปี10ปีอะไรนะด้วยความอ ร, อร่อยเนี่ยโอ้โหไอความอ ร, อร่อยนี่อีกที่ทำให้เราเนี่ยเป็นอุปทานเราก็ติดอยู่อย่างนี้แหละถึงได้เลิกไม่ได้เนี่ยมันพิจารณาพวกนี้ไปแยกแยะไปจนกระทั่งเข้าใจเลยนาะเห็นโทษภัยของมันเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งล้างโทษภัยพวกนี้ไม่เอาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ มันก็จะล้างพนี้ออกไปด้วยปัญญายาด้วยความรู้นี่แหละนะเพราะนั้นนี่ก็จะเป็นจอมเทพที่คุ้มครองตัวเราเอาไว้ถ้าทำได้ถึงหมดเราก็เรียกว่าวิมุตนะเรียกว่าวิมุตหลุดพ้นถ้าวมุตแล้วก็คือไม่มียักษ์หน้าไหนหวนกลงมาอีกไม่มีแล้วเพราะว่าเราฆ่ายักษ์ได้หมด จากทีละเรื่องจากทีละเรื่องเนี่ยจนกระทั่งฆ่าได้หมดทุกเรื่องเลยที่ยังเป็นยักษ์ร้ายอยู่ในจิตใจเราวัมภวิมุตหลุกพ้นขึ้นมานี่ไม่เหลือยักษ์แล้วคราวนี้เมื่อหมดยักษ์ก็มีแต่อะไรมีแต่เทวดาคราวนี้จิตมีแต่กุศ ล, ลจิตมีแต่ความคิดที่ดีนะจะพูดคุยกับใครจะทำงานร่วมกับใครนะก็มีจิตที่คิดแต่กุศล แต่ไม่ใช่ไม่รู้อกุศลนะรู้อกุศลแต่จิตเราไม่ไปคิดอกุศลเรารู้อกุศลก็จริงแต่จิตเราเนี่ยไม่คิดไปในทางองกุศลจิตเราจะคิดมาในทางกุศลเพราะฉะนั้นข่าวนี้เนี่ยก็มีแต่กุศลเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าผู้ที่ที่ฉลาดแล้วเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติธรรมถูกทิศถูกทางแล้วถึงไม่ไม่มากน้อยในกุศล พะบอกแล้วเนี่ยพอยักษ์มันตายมันมีแต่เทวดาทนะเพราะฉะนั้นเทวดาก็อูเอเ้เยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเะรื่อยนะจากอะไรอะ่ะอุบัติเทพนะเทวดาแบบเนี่ยในจิตเราเนี่ยแบบอุบัติเทพก็มากลายเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาที่บริสุทธิ์ผ่องใสปราปราศจากยักษ์ใดๆทั้งปวง <c oughs> นะตอนนี้พอ ท้าสกัจอมเทพประกาศอย่างนี้ใช่ไหมทรงประกาศตนเป็นผู้คุ้มครองรักษาแล้วก็เสด็จกลับคืนสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงของพระองค์ตามเดิมเข้าใจไหมเนี่ยถ้าเป็นลิเกเขาเขจะมีทําเป็นไอ้วิมานแล้วก็อะไรนะเอ่อคนที่แสดงเนี่ยเขาก็นั่นนะขึ้นไปบนก้อนเมฆเ่อขึ้นเข้าไปในวิมาน นะเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงตามเดิมตอนนี้ถ้าถ้าเปรียบโดยจิตของเราอะเป็นไงอพอได้ดีแล้วเป็นไงะอะไรเป็นอะไรเป็นที่อยู่อะไรเป็นที่อาศัยของจิตที่ดีมีภ้าสุขวิหารธรรมนะจะเป็นอยู่ภ้าสุขนั่นนะคือวิมานของเทวดา เพราะอะไรเนี่ยที่เราฆ่ากิเลสได้แล้วคุณเลิกติดอะไรได้เนี่ยโอ้โหเหมือนสวรรค์ดีๆนี่เองโดียไม่ต้องไปทุกข์อะไรเพราะมันอีกแล้วนะถ้าพูดจากอยากหยาบเนี่ยคนกินเหล้าคนสูบบุหรี่เคยติดเคยทุกข์กับมันนี่ยพอเลิกได้สนิทแล้วสบายเลยโอ้อย่างอัตามานเนี่ทุกวันนี้เอา้าเลิกมาได้แล้วนะเหล้าบุหรี่สบายเอามันหยาบเกินไปเอาเอา เอาที่มันไม่หยาบนักดีกว่าเอาว่าเนี่ยทุกวันเนี้มื้อเย็นไม่ต้องกินเนี่ยโอ้สบายใช่ไหมไม่ห่วงไม่กังวลไม่ทุกข์ร้อนไม่อะไรเลยแต่ใครที่ยังเลิกไม่ได้บางทียังโอ้โหพอตกเย็นจกจกจกจกจเสียงเสียงทองรองเงี้ยโอ้โหเริ่มแล้วเริ่มหวั่นไหวเริ่ม บ, มมบาดกลัวใช่ไหมชักจะกลัวยักษต์ตัวนี้แล้ะ แต่ถ้าใครเนี่ยเลิกมาได้สบายสนิทเนียนแล้วโอ้โหมันเบาท้องมันสบายถ้าให้ไปกินนี่อดอัดคัดเคืองรู้สึกว่าไม่สบายอกไม่สบายใจละคราวนี้ทุกข์เพราะ น, น, นี่นี่คือความแตกต่างนะเพราะถ้าเราเนี่ยทำอะไรมาได้แล้วเนี่ยคุณสบายแล้วโอ้โหสวรรค์ดีๆนี่เองนั่นน่นะคือวิมานคือวิมานคือที่อยู่ของของเทพทั้งหลาย นะ่ะอาปรากฏว่าผู้เจ้าท่านก็นตัดเล่าเรื่องนี้เสร็จนะพระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องราวในอดีตนี้จบแล้วก็ตรัสว่าเท้าสาก่าจอมเทพในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอนุรุท ธ, ธะในบัดนี้เท้าสาก่านะมาเป็นพระอนุรุท ธ, ธะในบัดนี้ส่วนพระราชาผู้ทรงพระมหาเมตตากรุณานั้นได้มาเป็นเราตถาคตนี้เองจบเรื่องยักษ ช่งเมตตานะเรื่องนี้จริงๆไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ที่เอามาพูดให้เราฟังเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติเรานั่นเองยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาหลายคนตั้งตาบะนะส่วนใหญ่เลยตั้งตะบะกันเป็นจํานวนมากเพราะจะมีการต่อสู้กันขึ้นมาเพราะอันนี้อยากจะแนะนําพวกเราในเรื่องของ ความที่เรานี่มีใจกล้กลาๆนะอย่าไปกลัวอะไรนะยิ่งถ้าเราตั้งตบาเนี่เรามั่นใจอยู่แล้วว่าตบาเนี่เราทำได้แน่เพียงแต่ว่ามันอาจจะลำบากบ้างนะต้องฝืนใจกันบ้างอันนี้หนีไม่พ้นไม่อย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าตาบาตตาบาก็ต้องมีการฝืนใจกันบ้างเมื่อเราตั้งตาบาไปแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่ฝืนใจเนี่ยกุญแจมไว้เลยช่วงที่เวลาฝืนใจ กับตะบะที่เราเราตั้งขึ้นมาแล้วช่วงนั้นอนะ่ะยักษ์กำลังมายักษ์กำลังมายักษ์จะมาได้ง่ายช่วงไหนบ้างเอา้าฮะยักษ์กระโซนใหญ่เหนื่อยอย่างนี้นี่ยักษ์จะมาง่ายเนีงักจะเริ่มโผล่มาเลยนะพอคุ ณ, ค, ณคุณเริ่มเหนื่อยเนยนะยักษ์จะเริ่มโผล่มาบางคนเนี่ยนะพอเริ่มเหนื่อยเนยนี่ชักจะน่ายักษ์เห็นเลยอ่าหรืออะไรอีกหิวอ่ะ เนี่ยยิ่งตั้งตบาบ้าถือว่าไม่เกียร์นั่น ไ, ไม่เกียร์นี่นะเอาแล้วเริ่มแล้วยักษ์จะเริ่มโพเขี้ยวงอกมาเลยคันนี้เพราะนั้นให้เรารู้เลยว่าโอ้โหมามามาแลมาแล้วมาแลต้องไหวตัวให้ทันอ่าเหนื่อยหิวละอะไรอีกอ่าป่วยพอนสังเกตไหมเวลาคนป่วยเนี่ยบางทีจริงๆงเนี่ยไม่ต้องไปกินไอ้ไอนั่นก็ได้ แต่จะกินอ่ะปล่อยเปดเขาเรียกว่าปล่อยเปดนะถ้าพูดในในบทนี้ต้องบอกว่าเนี่ยปล่อยยักษ์ปล่อยอยักษ์ออกมาเพ่นพ่าน ท, ทั้งทั้งที่บันทีจริงนะเราป่วยก็จริงแต่บางครั้งเนี่ยควรจะกินอาหารที่เหมาะสมด้วยซ้ำไปใช่ไหมจะได้หายเร็วแต่ไม่เอาอ่ะออตอนนี้อยากจะมียักษ์เป็นเพื่อน <c oughs> คืออยากจะกินอะไรที่มันสมใจที่สะใจตัวเองแต่พอไปกินอะไรที่มันมันมันเหมาะเหมาะสำหรับโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองนะกลับไม่อยากกินเลยกลับไม่อยากกินเลยมันผลักเลยอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันคือเชื้อที่เราสะสมมานั่นแหละยักษ์มันออกมาเล่นงานมนออกมาทำงานทำให้จิตของเราเนี่ยมันก็เลยโน้มไปในทางยักษ์มันก็เลยไม่มาทางเทพไม่มาทางเทวดา เพราะนั้นเขานี่จะกินอะไรก็เลยต้องกินในแบบพีเปรียกินแบบชนิดที่เรียกว่าให้สะใจสมใจอะจนบางคนเนี่ยสแสลงก็ยังจะกินสแสลงโรคโดร้วยซ้ํำไปใช่ไหมที่ที่เป็นอยู่ก็ยังจะกินเลยโอ้นั้นยักษ์ใหญ่มากเลยยักษ์แรงมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องดูให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยมันจะระมัดระวังอัอนนี้มาถึงป่วยแล้วเนี่ย ยากจะโผ่ง่ายแล้วสุดท้ายคืออะไรที่โผง่ายตอนไหนเออนี่บอกอัตต า, อ, าอัตาอ ต, า, ตาจัดหรือนะั่นแหละแม้แต่ตอนง่วงตอนอะไรเนี่ยนะตอนง่วงตอนหิวตอนเหนื่อยตอนเพียตอนอะไรเนี่ย น, น, น, นี่ขึ้นง่ายทั้งนั้นอนะ่ะพวกเนี้ย เ, เพราะว่ามันมันจะมาโดนขัดใจไง พอจะโดนขัดใจเนี่ยโหยักษ์ยักษ์กน้อยยักษ์ใหญ่ยักษ์อะไรขึ้นมาอุตรลุดเลยเพราะฉะนั้นระวังเนี่ยช่วงพวกเนี้ยหรือตอนที่เนี่ยกิเลสราคะโทสะมานะอะไรพวกนี้ขึ้นเนี่ยโหยักษ์ใหญ่มาทั้งนั้นเลยมันไหวตัวให้ทันส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนเนี่ยถือศีลหรือตั้งตบาบะทำแล้วไม่พยายามมีสติไหวทัน ประเด็นพวกนี้ถ้าคุณไม่ระวังประเด็นพวกนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยเสร็จไปก่อนละกว่าจะรู้ตัวเนี่ยโอ้โหตายและนายักมาเล่นงานคุณไปต้องฟาดคุณไปหลายตูบหลายตับและกว่าจะรู้ตัวบางทีมันมันไม่ไหวและมันมันมันไม่ทันแล้วมันแก้ไม่ไหวเพราะนั้นบางทีตะบะขานั้นหรือศีลขานั้นก็ขาดไปแล้วไม่สามารถจะแก้ได้ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่กันอีก มาสู้กันใหม่อีกก็จะเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยไปวันถ้าใคราสามารถที่จะมีสติให้ไวขึ้นฝึกฝึกให้ไวขึ้นถ้าฝึกไวขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมันจะเร็วมันจะตามทันเฮ้ยยักมาแล้วยักมาละจะรู้ได้อย่างรวดเร็วเลยพอรู้ปับ๊บทันทีเลยคนที่ยิ่งรู้ยักมาไวที่สุดเท่าไหร่เนี่ยสมมติว่าเห็นแต่ไกลเลยเห็นแต่ไกลเลยเฮ้ยยักโผล่มาแล้ว คุณยิ่งเห็นได้ไวเป็นไงคุณยิ่งเตรียมตัวได้ทันไม่ใช่พอเห็นแต่ไกลเอาเลยวิ่งเลยวิ่งหนีก่อนเอออย่างงี้มันจะไปสู้ได้ไงยงิ่ก็แพ้ก่อนเลยสินะพอบอกแล้วว่ามันต้องใจถึงอยู่แล้วต้องใจสู้ว่พอเห็นปับ๊บทันทีเลยมันจะเตรียมตัวไวทันนะมีหมวกกันน็อกก็รีบมาสวมมีเก็ก็ระีบมาใส่เออ ถ้าคุณมีอาวุธอะไรก็รีบเอามาถือไว้เตรียมตัวเลยอะ่ะพรายนั้นปั๊บเตรียมตัวเลยเออเดี๋ยวมันเข้ามาใกล้มันเล่นงานเราเราเราสู้กับมันแน่อา่าอย่างไงก็ต้องจัดการมันต้องฆ่ามันให้ได้เพราะฉะนั้นคุณสังเกตไหมส่วนใหญ่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่คุณบางทีคุณแพ้ยักได้ง่ายคุณแพ้ทีเผลอคุณสังเกตไหมคุณไม่ทันตั้งตัวไงคุณไม่ทันระวงังสมมุติว่าเราติด เราติดทุเรียนอย่างเงี้ยพงทีเผล่นะไม่ทันมองเอา้ามาอยู่ข้างหน้าแล้วอ่ะอยู่ข้างหน้าแล้วประจันหน้าเงี้ยโอโ้โหไม่ทันตั้งตัวไว้ก่อนหยิบใส่จานมันไม่ใช่หยิบใส่จานอยู่หยิบข่าปากก็นทีมันถ้าคุณเจอทีเผล่เนี่ยบางทีเนี่ยถึงบอกว่าไม่เตรียมตัวเตรียมใจไม่คอยพยายามพิจารณาอยู่เสมอเสมอบางทีไม่ทันเลยคุณ แล้วส่วนใหญ่เนี่ยทีเผอนี่แพ้บ่อยที่เผอนี่แพ้บ่อยสังเกตไหมว่าบางทีเนี่ยเราตั้งใจไว้เลยนะว่าเออเดี๋ยวเรามานั่ง เ, เวลาเขาเลื่อนอาหารมาเนี่ยเรามานั่งนะวันนี้นะพยายามนึกนึกตาบะนะว่ า, า, าวันนี้ตาบะมีอะไรบ้างเราจะไม่กินอะไรเนี่ยมีการทบทวนการทบทวนการพิจารณาเนี่แหละคือการเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมเพราะถ้าคุณเตรียมตัวมาดีเนี่ย พอเดี๋ยวอาหารเลื่อนมานะสมมตินี่พูดเรื่องอาหารอาหารเลื่อนมานี่ทำให้คุณเฮ้ยไอ น, นี่ตะบะเราไอ น, นี่อย่างยี่อย่างยี่นะอะไรเงี้ยมันจะทำให้คุณเนี่ยพอที่จะมีพลังที่จะสู้ได้ง่ายแม้แต่บางทีอ่ะหัวโี่ยักษ์ไอนี่ยักษ์นนกร้ายนะเนี่ยยักษ์ดุเลยตัวนี้เรารู้เลยว่าอันนี้เราติดมากเลยนะเพราะงั้นคุณรู้แล้วุณก็ต้องหาวิธีสิถ้า น, นี่มันเป็นยักษ์ร้ายอะ่ะคุณรู้ว่าคุณสู้ยากอะ นพออาหารอย่างนี้มาทำไงรีบเลื่อนไปไวรีบเลื่อนไปไวแล้วนะอย่าให้มันมาอยู่นานก็คืออยู่นานเดี๋ยวอาจจะแพ้ได้ใช่ไหมร้อนต้องรีบสิคุณต้องฉลาดสิต้องรู้หรือบางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยโอ้โหยังทนดูพิจารณานานๆไม่ได้คือพิจารณานานๆนี่เสร็จ อ, อย่างนี้เราก็ต้องรู้ว่าไอ้อ น, นี้นี่ยัากตัวนี้ยังยักล้ายมากเลยสาหรับเรา ถ้าขืนจ้องตามมันนานๆจ้องตามมันนานๆเสร็จเลยนะมันสะกดจิตเราเอ่แล้วเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราโดนเล่นงานแน่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรู้อย่างนี้ใช่ไหมต้องฉลาดเนี่ยต้องใช้ปัญญาด้วยเนี่ยอัตามาไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแต่ให้คุณรู้ว่ามันต้องใช้ปัญญาประกอบด้วยไม่ใช่หลับหูหลับตาสู้นะยักษ์ใหญ่มายักษ์เล็กมาหลับตาสู้เหมือนเดิมก็ตายสิมันจะไปรอดได้งไงอะ่ะ ฮ้อการสู้นี่ผู้เจ้าสอนให้มีปัญญาสู้ด้วยทั้งนั้นอันนี้อาจารมาจะพูดบ่อยเพราะว่าคนที่ตั้งดบับบาหรือคนที่ถือศีลแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยเนี่ยนั่ลูกกิเลสแล้วก็ล้างกิเลสไปด้วยคุณเก็บกดเอาไว้ทั้งนั้นแหละหรือก็เป็นแค่คุณทําไปได้คุณก็ทําไปได้แบบลือศีทั้งนั้นน้อยคุณอุเบกขาได้ด้วยคุณก็อุเบกขาได้แบบลือศีคุณวางเฉยเนี่ยทําเป็นเฉยนะ ยากอ้ น, นี่มันมาองเฉยไม่รู้เรื่องแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปจริงนะคุณคุณไม่กินได้สําเร็จนะเออตะบะ้านนี่คุณทําได้แต่ไอ้ที่ทาได้เนี่ยมันได้แบบไม่มีปัญญากิเลสที่มีอยู่ในจิตของคุณยังคาอยู่เลยยังไม่ได้ล้างไปหมดเพียงแต่ว่าคุณคุมมันได้คุณสงบระงับมันได้ทําให้มันแบบว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่กําเริบขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่า ก, กิเลสมันหมดยากตัวนี้ มันแค่ยักหลับมันยังไม่ตายมันหลับอยู่ในจิตคุณเพราะวันไหนเนี่ยคุณไม่ทันระวังมันตื่นขึ้นมาคุณตายขอนี้เพราะอันนี้จะต้องรู้ให้ได้หลักการของาศาสนาพุทธเนี่ยจะต้องมีปัญญาประกอบด้วยเพราะเนี่ยตั้งตะบ่าแล้วทําอะไรไปนี่รู้จักพิจารณานะแล้วรู้จักเทคนิคหาเทคนิคมาช่วยนะบอกแล้วไม่ใช่ว่าซื่อๆบื้อ นะเอาหวัวชนกิเลสลูกเดียวอะ่ะโอ้อยังงี้มันจะไปรอดยงไงล่ะมันไปไม่รอดหรอกแล้วก็ต้องตรวจตะบะเราด้วยว่าเป็นยังไงเนี่ยทำไปแล้วเป็นยังไงอ่าผ่านนะ่ยผ่านได้สักกี่เปอร์เซนต์วันนี้ผ่านได้สักกี่เปอร์เซนต์จะต้องรู้จักพิจารณาไม่ใช่โอ้โหดีใจดีใจผ่านผ่านผ่านแล้ววันนี้ผ่านที่ไหนได้รอแล้วรอแล้ขาบเส้นผ่านม า, างเงี้ย โอ้ยไอ้อย่างนี้ต้องรู้แล้วอันนี้อันตรายแล้วอันตรายแล้วไอ้คาบเส้นผ่านมานี่มีสิทธิ์ที่จะตกล่วงได้ง่ายเพราะฉะนั้นคนนี้เข้าใจานี้ได้ก็เฮ้ยระวังระวังนะแล้วก็จะมีความที่เรียกว่าไม่ประมาทเกิดขึ้นนะคนที่เตรียมตัวเตรียมใจคนที่พยายามระมัดระวังเนี่ยจะไม่ประมาทจะยักเล็กยักแครอะไรก็จะระมัดระวังอย่างดีจะไม่ประมาทแล้วผู้ที่ไม่ประมาทนี่แหละ ก็คือผู้ที่อะไรอ่ะไม่ตายพู้เจ้าจันใช้คำว่าไม่ตายนาะจจะมีชีวิตรอดนะเอาวันนี้ก็ฝากนะแง่คิดในเรื่องของยักษ์เนี่ยให้ฟังแล้วกันเพื่อที่เราจะได้ไปใช้ประโยชน์สำหรับการถือศีลปฏิบัติธรรมของเราออาวันนี้คงพอเท่านี้